วิธีสลับบาดที่เป็นนิสกีสละแก่สง์ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสง์เฉยังบาดข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญบาดใบนี้ของกระผมเกินกำหนดสิบวันเป็นนิสกีกระผมสลับบาดใบนี้แก่สงคลันสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัต พึงคืนบาทที่เธอสละให้ด้วยยติกรมมาวาจาว่า 603. ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าบาทใบนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สงถ้าสงพร้อมกันแล้วเพึงให้บาทใบนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่คณะ 604. ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูปห่มอุตราสงช่วยงบาข้างหนึ่ง กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรนสานั่งกระย o ประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญบาดใบนี้ของกระผมเกินกําหนดสิบวันเป็นนิสกีกระผมสละบาดใบนี้แก่ท่านทั้งหลายทัานสละแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนบาด ท, ที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าหกรหท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าบาดใบนี้ของภิกษุเช่อนี้เป็นนิสกี เธอสละแล้วแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วพึงให้บาทใบนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่บุคคล606ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งหฮมอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านครับบาทใบนี้ของกระผมเกินกําหนด10วันเป็นนิสกีกระผมสละบาทใบนี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัต ภิกษุูรับสละนั้นพึงรับอาบัตแล้วคืนบาตรที่สละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมให้บาตรใบนี้แก่ท่าน